ขออากาศพระอ า, ะ จ, ะาจารย์ยกิกับข้อากาศเราต่อยสลยยังเป็นสถานมิกทุกทุกโรคจรรย์ตนจรนรย์ตามมายังคุณแม่ชีแล้วก็นายแธรรมทุกท่านรวมทั้งกลุ่มของพยาบาลมีอะไรบรมราชนนีชนลินสุรินซึ่งมาร่วมเดียวกันเจ็ดพัน ก็ใช้สถานที่วัดป่าสุตโตร่วมกันช่วงนี้หลายๆกลุ่มหลายๆคุณวุฒิปัยวุฒิฐานะรูปสมบัติคุณสมบัติที่ต่างคนต่างเรียกว่ามุ่งตรงตรงต่อเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรากันก็คือความผาจุก อะไรที่เป็นความผาสุกความสุขมันมีหลายขั้นหลายตอนก็เปรียบเหมือนกับเดินไต่ขึ้นบันไดลงบันไดนี่แหละสุกระดับวัตถุ ก, กรรมคุณกรรมะลมต่างๆอันนี้เป็นขั้นมูลฐานขั้นพื้นฐานต่อมากะสูงขึ้นมาไม่ใช่แค่การหาอยู่หากินประจัย4 5 6 7 8 มันสูงขึ้นมาเป็นเรื่องของจิตที่มันอยู่ในโลกอยู่ในโลกอย่างรู้จักโลกมีปัญญาแตกฉานในสมมุติที่เป็นวินัยต่างๆกฎระเบียบต่างๆหรือว่าเขาตกลงอะไรกันไว้เป็นมูลค่าเช่นเขาตกลงว่าทองคํามีมูลค่าเพชรมีมูลค่า น้ำมันมีมูลค่าต่างๆขึ้นๆลงๆตามกลไกของเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือว่าดีมาลซับไพลูกเนี้ยเราก็ฉลาดมีบรรยายเห็นโลกน่โลกก็เป็นยังไงกรอบของแต่ละประเทศกติกาของแต่ละชุมชนเราจะเห็นแบบนั้นเราก็มีความสุขนะอยู่ในโลกนี้อยู่ตรงไหนมันก็ มองทะลุในเรื่องของการหาอยู่หากินในเียดการณงอมืองอเท้าเรียกว่าด้านใดอาออดถตาเราแตกฉาเรื่องนี้เราก็อยู่ในโลกไปเถอะไปไหนก็มีปากกาอันเดียวใช้สมองเอาเหมือนกับคนไม่มีความรู้ตัวไปเขาก็จะ ขายก็ขาดทุนแล้วว่าปลูกมันปลูกอ้อยนะก็ขาดทุนได้เราจึงเห็นว่าเออในโลกใบนี้มันมีคนมีปัญญามากเับเปรียบคนมีปัญญาน้อยอยู่ต่อมาก็คือความสุขที่มันเหนือวบบ น, นี้ไปอีกนะมันไม่ใช่แค่มีปัญญาเฉยเฉยมันเป็นสุขจากการที่เราสงบจิตสงบใจนะเรียกว่าเข้าฌาน อย่าลมหายใจสักสี่สินาทีโดยการออกกำลังกายสักสี่สินาทีฟังเสียงสัก 4, สี่สิบห้าสิบนาทีลัวตาดูเพ่งกระสินแสงสีต่างๆเป็นการฝึกสมถกรรมฐานจิงก็จะกำหนดรู้อยู่หนึ่งอารมณ์บางทีความคิดมันฟุง้งซ่านมาก เวลากินถึงเวลารับประทานล้วก็รับประทานไม่ลงถึงเวลานอนมันก็นอยไม่หลับความคิดมันบรบกวนบางทีก็กำหนดอยู่อารมณ์เดียวเช่นฟังเสียงเช่นเราได้ยินอยู่ทางนี้นแมงง่วงแมงง่วงเดืนดลิ่งเลยอะไรปรน้ฟังนานๆจิตมีจะเพลินแล้วมันก็จะสงบ เสียงกล่อมจากธรรมชาติบทเพลงจากขุนเขามันก็เป็นความสุขเวลาจิตสงบหรือว่าทำงานวุ่นวายการเรียนต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบหลายวิชาเราก็อยากจะหยุดพักผ่อนอยู่เงียบๆคนเดียวอันนี้หละมันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่มีอยู่ในสมาธิ ตังมันอยู่อารมณ์เดียวลมณใดอารมณ์หนึ่งเป็นความสุขที่มันมีอยู่ในตัวเราแล้วปีติสุขเป็นความสงบโดยเรีวปัทติมันมีอยู่อันนี้ไม่ต้องยิงวัตถุหนึ่งสองสามภายนอกหรืองอาจจะยิงก็ได้เช่นต้องยิงแสงเทียนแสงไฟเราว่าดูแล้วก็มีความเพลิดเพลินเมื่อฟังเสียงอันนี้อาจจะเป็นภายนอกด้วยกระแด รู้กนดรู้ลมหายใจแล้วก็เป็นสมะถะกรรมฐานมันก็มีความสุขให้สุขที่สุดก็คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องตรงนี้ก็เรียกว่าสุขที่เกิดจากจิตใจของเราเป็นสภาวะของความเป็นปกติมีความเป็นปกติไม่ฟูไม่แฟดไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก็ไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ภายใน ไม่ติดอยู่วความสงบมันจะเห็นความสงบก็เห็นมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมารับรู้อันนี้อันนี้ต้องเจริญสติปัฏฐานให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องเราสามารถพึ่งกําลังของสติปัญญามันจะพึ่งได้แล้วก็พอใช้พึ่งได้แล้วก็พอใช้ไม่จะต้องเรียกว่าฝึกหัดหรือ ว, ว่า เรียนรู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นการเห็นกายตามหลักของมหาติฐานสูตรเห็นกายในกายไม่ใช่สับตัว ต, ว ต, วตวนบุคคลเราเขาตรงนี้ที่เราฝึกๆ ก, กันนไปเห็นตรงนี้ละเห็นกายในกายกายดุนก่อนก็เริ่มหาปูต ร, รูปส่วนวิญญาณ น, นี่อยู่กับกายนีอันนี้เป็นลนักษณะของอุปทัยรูปมันเป็นความบริสุทธิ์แล้วมันจะเป็นการปรุงการแต่ง เกินอยู่กับเราหลงรู้รู้ว่าห ล, ลงท่านหลงว่ารู้มันก็เป็นทุกข์ต่อไปแต่จะรู้ว่าหลงมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมคืนสู่สภาวะปกติของจิตหรือธรรมชาติของจิตเดิมๆธรรมดา ร, รมดามันเป็นตัวรู้ที่มีความหมายเป็นตัวปัญญาแล้วก็เป็นปัญญาพุทธปัญญาพุทธมันก็รู้แล้วก็ตื่น มันเห็นความจริงนะแล้วมันก็ตื่นตาตือนใจมันตื่นทุกเห็นทุกก็ตื่นทุกอันนี้มันเป็นสติมันก็เห็นทุกการเคลื่อนการไหวต่างๆกระวิตตาหายใจธรรมชาติแต่ถ้ามันรู้แล้วรู้ไม่ถูกกลายเป็นความทุกข์หินข้าวหิวข้าวกระทุกละทุกกายทุกกายกลายเป็นทุกใจเลยนะอย่างเช่นวันนี้หลายกว่าหลายท่านก็ต้องงดข้าวเย็นละวันนี้ มันจะกลายเป็นทุกกายทุกใจแต่ถ้ามีสติแล้วรู้ว่ามันหิวมันจะมีปัญญาเป็นคาตอบเลปัญญาจะพาผ่านทันทีรู้ว่าเออหิวก็เป็นเรื่องปกติไงนะมันไม่ได้ทานอาหารก็ต้องหิวแล้วก็มีความอดทนนะสติจะรึกเอาความอดทนอดกลั้นมาใช้กลายเป็นผ่านด้ความอดทนอดกลัน้นรู้ผ่านด้วยปัญญา ปัญญาเห็นว่าหิวมันก็ออกไปจากความหิวหรือมันก็เกี่ยวข้องในการดื่มน้ําดื่มถ้าหาหน้ามาดื่มหรือว่าเราสังเกตหิวเมื่อหิวไม่นานพอฝึกมันทุกวัน2อวันสามวันก็ปรับเมื่อปรับตัวสู่สมดุลถึงเวลานี้มันก็ไม่หิวแล้วอย่างเงี้ยนะเราก็ฝึกตัวเองสอนตัวเองแบบนี้เคยรับประทานหนึ่งมือม้อสองมือม้อสามมื้อสี่มื้อหรือว่าจุกจิกอีกต่างหากเนื่องจากใช้พลังงานสมองเปลือง สมองนี่มันใช้พลังงานได้น้อยที่สุดแต่ว่ามันใช้พลังงานมากที่สุดแต่เราคิดมากเรเครียดมากมจะกินบ่อยหิวบ่อยแล้วก็กินรสจัดเครียดมากกะจัดมากเนียนะเปรี้ยวจีสตเผ็ดจทั้งมีผลต่อร่างกายเป็นโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆม า, มากมายมากับอาหารเนี่นะอันนี้คือเรื่องของการจดสติเราจะมองเห็นความจริงหิวมันหิวจริงๆ แต่ว่ามันไม่ได้ทุกตรงนี้หรือว่ามันง่วงนอนมันเบื่อนะเดี๋ยวกลุ่มใหม่ที่มาเนี่ยจะได้เจอแน่ๆเลยก็แบบพรุ่งนี้มันมันไปเราจได้ฝึกกันเต็มที่แล้วก็โดยเฉพาะว่าเราเคยฝึกมาแล้วก็ต่อยอดทันทีคงจะใช้นะเวลานี้โอกาสนี้ปฏิบัติเหมือนกับพวกที่เขาอยู่วัดอยู่วากันก็คือถึงเวลาก็มาทําวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมเสร็จเราก็แยกย้ายกันปฏิบัติี้น ทั้งวันมันก็จะเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเราที่จะต่อยอดเรื่องของการเดินทางสูขขงพพ่การพ้นทุกข์ดูกายมั น, น, น ก, ก, ก็ต้องเห็นเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์ของกายแล้วต้องเห็นเวทนาที่เป็นสุขทุกข์ของจิตด้วยก็แล้ดูกายมาเห็นจิตเห็นอาการของจิตมันปกติอย่างไรหรือว่าไม่ปกติอย่างไรมันมีสติรู้สึกตัวอย่างไรหรือว่ามันหลง ไปในอารมณ์ต่างๆทำอารมณ์ต่างๆเราได้ฝึกัดปฏิบัติโดยการกลับมาหาความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวซึ่งเป็นก ร, ระป๋านเบื้องต้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องะระลึกให้สติปัฏฐานที่มันมนีน้อยๆได้ฝึกจกนกระทั่งมันเจริญเติบต่อเป็นความว่องไวไวพิปฏิภานมันก็จะเห็นจิตซึ่งเป็นนามธรรมที่ละเอียดขึ้นอารมณ์ที่เกิดในจิตที่มันละเอียดขึ้น เวลาจิตคิดมันแสดงตัวออกมาถ้าเราไม่เคยฝึกอยู่กับปัจจุบันมันก็จะไหลไปกับความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดบนกันอดีตตั้งนานว่าก็เมืยานตมติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอาไลอดีตเราจะคิดมันเป็นความอาไลอาวรนแต่ไปอนาคตเราจะคิดเป็น ความไม่ตกกงังวลเวลามีความอาลัยอาวรก็เศร้าซึมเบืเ่อเจงสารคอติซอลก็หลังเวลากังวลมากๆก็เครียดสารอะดีนาลีนก็หลังเวลามันมีความสุขมากๆสารเอนโดฟินมันก็หลังเวลาปกติมากๆมันก็สติปัญญาสมาธิมันก็จเจริญเติบโตมันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์ดีๆนี่เอง เรได้เห็นอาการต่างๆจนกทั่งสติมันสามารถที่เห็นธรรมลมที่เกิดขึ้นมาภานอกภายในภายในใชจนั่งง่วงมันฟุ้งซ่านมันคิดหรือว่าภายนอกรูปรดกลิ่นเสียงต่างๆมากระทบเมื่อก่อนมันไม่เคยรู้สึกแต่พอเราเจริญสติแบบแนวเครื่องไว้พลิกมือรู้สึกตัวยกมือขึ้นมารู้สึกตัวเคลื่อนระวังที่สะดือรู้สึกตัวเราก็จะเห็นว่าเอยความรู้สึกตัวตัวเนี้ย มันก็เป็นความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าสติที่เราไม่เคยเห็นตัวเองก็เรียกว่าสติตามสันชัตยานมนุษย์เราพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ยิ่งยิงนไปได้แต่ว่าถ้าเราปลกสตินะมันถึงจะพัฒนาทางจิตใจก็เราเรียกว่าภาวนาเคยดได้ยินไหมภาวนาก็หมายถึงจิตซึ่งเป็นนามธรรมมันพัฒนา แต่ว่า น, มนมามธรรมก็เรียกว่าภาวนาแต่เป็นพัฒนาสถานที่หรือว่าพัฒนาอาชีพการงานสังคมเศรษฐกิจการเมืองวนนี้พัฒนาคนนี้เคยทำคนนี้ทวัฒนธรรมประเพนี้ต่างๆก็เป็นแสดงออกรูปธรรมต่างๆปรากฏให้เราได้รับรู้รับทราบพัฒนาวัดบาอารามอย่างเงี้ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันเป็นวัตถุรูปธรรมนะ แต่ว่าจิตที่พัฒนาก็คือจากเปลืสนรกอสูรกายไบยภูมิที่เป็นภูมิต่ําภูมิเสื่อมคนโกรธอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของสันนลกโลภมากๆก็เป็นลักษณะของเปลหิวบ่อยหรือว่าลักษณะของขี้ขาดตาขาวขี้ขาดวาดกลัวเนี่ยเป็นลักษณะของอสูรกายขัดแย้งดีก็ไม่ทําดีก็ไม่เอาก็ทําทดีก็อิจฉาเนี่ยลักษณะของสัตว์ดิลฉาน มันก็มีแล้วก็พัฒนาขึ้นมาทุกครั้งที่จิตปกติจะเป็นพระเป็นกำลังเป็นพระคำว่าพระก็หมายถึงว่ามีกำลังท่านนันคุณธรรมมีเมตตาก็นาำเมตตาเบียามีส ต, ติปัญญาถึงเาเรียกว่าพระพายพระพายคือลมหมไหมพระเพลิงไฟเห็นไหพระพระพะเพลิงซึ่งมันก็ดูน่ากลัวนะแต่ว่า กับเลียยวพระพระพายพระเพิงพระแม่อรณีต่างๆพระพินลุนฝนเป็นพระได้หมดเลยแต่ท้ายสุดมันฆ่านะฝนตกทีน้ำท่วมาฆ่าคนท่าแหล่งเรื่องทีลมพัดทีบ้านก็เจอก็ะเจิงแต่ทำไมก็ให้คุณธรรมเหล่านี้นะว่าเป็นเป็นพระก็ไมห้ถึงว่ามันก่อประโยชน์อย่างงี้น่อยเรก็เห็นแล้วอ๋อ เรื่องของจิตที่ปกตินะมันมันมีพลังมีกําลังของคุณธรรมต่างๆก็คือสติมจะขนส่งเอาความอดทนมาขันติสติมจะขนส่งเอาปัญญามาก็คือมันจะทะลุทะลวงไปเลยแตกฉานไปเลยสติมจะขนเอาเมตตาเขานาวิตาเบี้ยขามากุณธรรมความกตัญญูขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนนั่นก็คือสติตัวเดียวเท่านั้นแหะนะ แปนสติจึงเป็นแม่เป็นพ่อของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นทรัพย์ภายในอายทรัพภายในที่จะขนส่งเรานะเป็นหลัากประกันเป็นพรมทันคํนะาพบคําชาติไปเลยนะทำวันนี้ทําเป็นเรื่องของสัมป라이ยพบนะที่เราจะสามารถใช้ได้ในนอนอนาคตอย่างนั้นนะทำวันนี้นะแต่ว่าเงินที่เราทําวันนี้นะเวลาใกล้ตายเผลอๆมันมันใช้ไม่ได้สตาง พยาบาลเนี่ยเรียนไปเพื่อหาสตางหรือว่าวิศวกรรมสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมกิตกรรมหรือว่ากเกษตรกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมทั้งหลายข้างบนก็คือหาสตางนะนะเมื่อเช้าหลวงความเขียนท่านบอกว่าเออมันก็คนส่วนใหญ่ก็ให้คุณค่าะ ก, การหาวัตถุเงินทองต่างๆสตางเป็นเทพเจ้านะเป็นเทพเจ้าหรือว่าเรี้ยวพ่อของเทพเจ้าก็ได้ยุคนี้ แต่คนที่มีสตางค์ก็ทุกข์นะก็ยเยอะมากกินไม่ได้นอนได้รับในโลบาเราก็เห็นเนื่องจากจิตเขาไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือู้เฉลยว่าเกิดมาทําไมหรือว่าแก่แล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนเฉลยไม่ได้ก็ไม่สามารถหยุดอยู่กับปัจจุบันเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้ อ, องถูกต้องได้สติก็จะเป็นอริยรัพเพ์ในที่มันสามารถที่จะ ใช้นี่กรรมได้ตามกฎของธรรมชาติก ฎ, ตา ก, รรากฎของกรรมฐานเราเห็นว่ากฎของกรรมฐานมันแก้กรรมทันทีเคยคิดเคยพูดเคยทํำเราทําดีเราทําทไม่ดีก็ทําดีก็ทําไม่ดีเราสามารถย้อคืนสู่สภาวะปกติระลึกบาปสํานึกบุญหรือว่าสำนึกบาประลึกบุญพวกนี้มาจากปรากฏขึ้นมาให้เราได้เหมือนกับว่าอ่านตัวเองเห็นตัวเอง เราได้เลือกใช้กายใช้วาจาใช้ จ, ใจิตใจใช้ความคิดตรงนี้สําคัญมิสเปิงใช้ความคิดมันก็จะเกิดคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าตัวลักษณะของกิเลสตัวหลงมันใช้ความคิดความคิดมันใช้เรามันก็จะฆ่าคุณแทนที่จะเป็นคุณค่าเราใช้ความคิดความคิดไม่อยากคิดมันก็คิดอยากจํากับลืมอยากลืมกับจำํำมันก็เล่นงานเราจนกินไม่ได้จนนอนไม่หลับ เวลาเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราก็ได้เห็นคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดดีคิดไม่ดีคิดเป็นกุศลฉลาดคิดไม่เป็นกุศลไม่ฉลาดมันจะหนุนในรูปรอยของอาการคิดเป็นมายาไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าเราถูกอิทธิพลกดอำนาจของความคิดมันมันเล่นงานจนกระทั่งมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาไถาสุดหยิบปืนมาฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายก็าความคิด จึงเรารู้ไม่เท่าไม่ทันมันมันสั่งอย่างน้อยๆก็คิดให้โลภให้กลัให้หลงคนที่รักก็กลายเป็นความร้ายทะเลาะบ่อแว่งกันอย่างเง้ยนะเนื่องจากรู้ไม่ทันความคิดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับว่ามไม่ทุคือหนึ่งคิดให้เป็นไม่เป็นทุกข์สมาที่นี่วัดป่าสุโตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนะั้นมันแก้ทั้งระบบไปเลยมันแก้ระบบความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนะเรียกว่าสัจธรรม สัจจคือความจริงเลยนะเราได้เห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาที่กายความจริงของกายเป็นยไงก็ได้แสดงออกใช่ไหมนั่งนานๆก็เมื่อยนะนะอากาศร้อนก็ร้อนเหื่อยก็ซึมหรือว่าเดินมากๆทํางานมากๆเหนื่อยก็ซึมหรือว่าบางทียุงกัดก็คันก็เจ็บอย่างเงี้ยนะหรือว่าต้องเหิวต้องขับถ่ายต้องก้าหายมันเป็นธรรมชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดา แต่ว่าหลายคนก็หลงเข้าไปในการเหล่านี้ผมงอกฟันหา ก, ก็เป็นความทุกข์ตีนกาขึ้นหรือว่าตกกระก็ไม่สบายอกไม่สบายใจเป็นปัญหาขึ้นเลเนื่องจากเราไม่เคยเห็นความจริงโบราณท่านจึงเล่าว่าเทวทูตเนี่ยเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาการแก่การเจ็บการตายมันเป็นเทวทูตนยมันเป็นลนักษณะของอาการธรรมชาติที่เป็นแสดงออกมาทุกคน ไม่เว้นบางที่ก็ก็เตือนแต่ว่าหลายคนก็ประมาทเช่นบางทีเทวทูตก็กรปลาจดหมาย EMS อ็เตือนมาทางหน้าต่างบางทีก็กรเตือนมาทางหลังคาบางทีก็กรเสียบไว้ที่ต้นเสาจดหมาย EMS เสนี่ยนะเสียบเตือนเอาไว้เลยว่าเราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเช่นผมหงอกเนี่ยนะกระปามาบืหลังคานะโครม แก่แล้วผมงอกบางทีก็ปามาเข้าทางประตูหน้าต่างดูฟันฟั น, ฟนห่างคอฟันสึกเรื่องทีก็ผุยิ่งแก่ยิ่งโยกแคลเซียมไม่พอกันเล็กลงเล็กลงฟันไม่แข็งแรงแล้วก็เปราะผุะแล้วก็เตือแล้วบางทีเดินเดินก็กระดูกหักก็ได้บางทีก็เสียบไว้ที่ต้นเสา ก็คือนั่งก็โอยลูกก็โอยต้นเสาไม่ไดีแล้วก็เตือนนะนนี้เราได้เอานิมิตเหล่านี้มาเป็นธรรมทำให้เกิดความไม่ประมาทอย่างไรหรือว่าหลงโล ก, กันอยู่นะมันเป็นยังไงที่เราหลงโลกคือไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายขนไกวหายาอายุวัฒนะพวกนี้อ่าเราก็ได้เห็นความจริงที่มังกงปรากฏขึ้นมากลายเป็นปัญญาโดยเพราะที่ เรามาฝึกมาหาดาจิตที่มันคิดอาการของจิตที่มันคิดเนี่ยเกิดดับเกิดดับถี่ยิบเลยคิดแ ล, ลด้วโกรดมีผลต่อตับคิดแล้วกลัวมีผลต่อไตคิดแล้วดีใจมีผลต่อหัวใจคิดแล้วกคงว่นมีผลต่อ ม, าม้าคิดมากๆมีผลเสียต่อระบบสมองระบบประสาทความคิดของเราเนี่ยว่องไวนักวิทย า, ศ า, ศาสายตร์เาไม่น้อยกว่าสิบเจ็ดเท่าของปรมาณูนะแต่มันมีความใบสูงมาก หนึ่งลูกนะที่ประเทศญี่ปุ่นนะมันก็ทําใหนะ้แพ้สงครามนะทำไมอดีตนะอย่างนี้ปรมามโนะระเบิดปรมามโนะความคิดเราคิดไวหน่วยก็มันเป็นลักษณะของปรามโนหม่วยวัดความคิดแรงระเบิดก็มันไะม่น้อยกว่าสิเจเท่าของปรามโนแต่ว่าสติมันเร็วกว่านีนะ้เราก็จึงมาฝึกสติตาในในะ ให้มันรู้ทันความคิดเห็นความคิดอันนี้อ้างไว้แล้วนะของพุทธวิทยาศาสตร์เลยมาศึกษาฝึกหัดกันที่นี่มันไม่ใช่พุทธไสยศาสตรนะ์ไสยะไปว่าหลับไหลอะนะมืดสา ท, ที่มาความง่วงนอนแล้วก็นอนหลับนะส่วนใหญ่มันก็ขาดสติแต่ว่าไสยศาสตรนะ์ที่มันมีอยู่ในทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อแบบโง่หลงงมงาย แต่ถ้าเราฝึกสติเราจะเห็นว่าเออศิลปศาสตร์มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ทําให้เกิดอาชีพต่างๆมากมายก็หลอกลวงกันต้มตุนกันก <c oughs> ็นเป็นอาชีพของคนที่เขาเห็นช่องทางอาชีพพุทธศาสตร์ก็คือลรื่องของสัมมาอาชีวะที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวมันเป็นอาชีพที่เราดํำริออกจากความชั่วดํำริออกจากกรารพยาบาทตรงนี้ พยาบาทมันก็มีนา ก, การมันก็มีเกิดขึ้นมาหรือว่าลักษณะของราคาปฏิฆะให้ราคาต้องตาหูจะหมุกเล่นกายใจหรือว่าไม่พอใจตองตาหูจมุนเล่นกายใจเป็นราคาปฏิฆะเราจะได้รู้เท่ารู้ทันเป็นอาของอาชีพที่มจะเกิดขึ้นมาเป็นอาชีพจิกขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพวกเราทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญา มันเป็นบาดฐานส่งเสริมซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดขึ้นจากความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเพราะนั้นวิธีปฏิบัติที่วัดป่าสุตัวเราจะสร้างอาชีพภักรจิตของเราก็คือไม่ให้ใจของเรามันจนนะนะจนใจมันก็ฆ่าตัวตายจนใจมันก็เครียดจนใจมันก็หวาดกลัววิตกกงังวลโกรดกลุ่มตัวนี้เป็นเรื่องของกิเลสและท้ายสุดกิเลสจะพาให้เรานะเกิด ปัญหาวัฐานต่างๆมากมายก็คือทยานอยากแล้วก็ยึดเอาไว้จนทั้งเป็นจริตนิสัยต่างๆบบนี้เรามาฝึกกลับมาหาธรรมชาติเดิมๆที่ปัจจุบันขณะทุกๆขณะที่ไกลก็เรามานั่งเดินยือนนอนให้รู้เนื้อรู้ตัวเวแต่เพราะการเคินการไหวนี่มันเป็นรูปแบบที่กวนกวนทำให้สติปัญญาเนี่ยมันเกิดความว่องไวแล้วก็เห็นความคิดได้ไว รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็ออกมาจากความคิดอย่างนั้นนะความไม่รู้สึกที่ตัวกายปับ๊บไหลก็ไปในความคิดทันทีมันไหลไปในอารมณ์ทันทีออกไปทางตามก็คิดต่อออกไปทางหูก็คิดต่ออย่างนี้นะเราได้ตัดไฟแต่ต้นลมก็คือระหว่างรู้ตัวกับหลงตัวทํามารู้ตัวปับ๊บพิกมือรู้สึกตัวปับ๊บก็แสดงว่าเรามีสติปัฏฐานนะออกไปนอกตัวเป็นสติสัญชาตญาณ กลับมาหาตัวเองปั๊บก็เป็นสติปัญหาหลงปั๊บคิดปั๊บว่ารู้ปุ๊บเนี่ยนะมันแก้กรรมทันทีมันกลายเป็นกรรมฐานแทนที่จะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีมันก็ทําให้เราเกิดความสุขกรรมชั่วทำให้เราเกิดความทุกข์แต่กรรมฐานเหนือสุขเหนือทุกข์ก็คือความเป็นปกติเราก็จึงมาคืนสภาวะปกติให้กับจิตของเราโดยการทวนกระแสของความคิดกลับมาหาความรู้น ร, รู้ตัวรู้สึกตัว ตรงแรกเป็นวิชาคำมฐานผลได้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาเราทําให้เราเห็นของจริงกันพอได้เห็นรูปทำนามทำขันท่าเห็นกายเห็นใจเห็นลนักษณะของสัญญาความทรงจําได้หมายรู้ได้สมองเนี่ยนะเราจะเห็นเวลาคิดดาหลงเข้าไปแล้วไปปรุงแต่งเรียกว่าสังขารละขันโดยเราจะเห็นการรับรู้ทางตาหูยังไม่กายใจเรียกวิทยาณมันบริสุทธ์นะไม่บริสุทธิ์อย่างไรอย่างนั้น จะได้เห็นลักษณะของมโนกรรมทิมปรากฏขึ้นมาวิบากกรรมที่แสดงออกมาให้เราได้นะเกิดลาบหรือว่าสิ่งที่ดีก็ทําต่อไปอย่างนี้นะหรือว่าทําให้เราเห็นสมิธฐาน ล, ลังของความทุกข์มันเกิดตรงนี้ความคิดเวลำแสดงออกมาสติในน้อยเห็นห ย, ยาบหยาบสติไวๆรู้สึกตัวมากๆไวพิบัติภันคือเห็นความคิดละเอียดจนกระทั่งเหมือนกับว่า เราสามารถีใชนะ้ความคิดใช้นะวาจาใช้ร่างกายของเราเรียกว่ามโนกรรมวัญญกรรมกายกรรมได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่มันไม่เบียดเบียนตัวเองแล้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นตัวนั้นวนาะจะเข้าหลักของศาสนาคือละชั่วเราก็ทําดีแล้วก็ชําระจิตให้ขาวลอดวายจะมีอยู่ในการฝึกหัปฏิบัติของเรานั่นแหละตั้งแต่ผู้ใหม่เริ่มต้นก็ต้อง รู้รูปรู้นามแล้วก็จะเห็นความคิดไปเรื่อยๆใหม่ๆเข้ากระแสคือรูปรูปทำนามทำเข้ากระแสแต่ว่าพอเห็นความคิดจะได้หลักกรรมฐานทันทีมันจะชัดเจนอยู่ที่เห็นความคิดรู้ทันความคิดคิดปรับรู ป, ปคิดปรับรูปพุ๊บเรารู้ว่ามันเป็นแค่มายาภาพเป็นภาพที่มันหลอกลวงมันสร้างภาพมันหลอนตัวมันเองบางทีเราก็หลอนตัวเองหลอกตัวเองนะ ผีหลอกไม่น่ากลัวคนอื่นหลอกก็ไม่น่ากลัวแต่ว่าเวลาเราหลงไปในความคิดแล้วมันหลอนตัวเองหลอกตัวเองตัวนี้น่ากลัวที่สุดกลางคืนอยู่คนเดียวมันก็หลอกนะนะคนอื่นไม่ได้หลอกนะผีก็ไม่ได้หลอกตัวเราเองหลอกจนนอนไม่หลับจนกินไม่ลงนะช่วงนี้ก็ยุงชุมนิดหนึ่งยุงนะชมจริงๆคนมาว่าสาัตว์พวกนี้ก็มาตามคนนะเมืม่อก่อนไม่ชมุมแล้วยุงที่วัดป่าสุโขตอนนี้ก็เริ่มเจียนนิสยัยแล้วคือกัดทั้งวันทั้งคืน เมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นเวลานะโยมก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็เนี่ยไปเข้าป่ากันล้นอนตรงเนี้ไม่ต้องออมีมุ้งก็นไหนไม่กัดอะแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหมันมันดุจริงๆทั้งวันทั้งเกิดก็บอกว่ายุงนีนไรฝ่าเสืออยู่ป่าเนี่ยนาน่ากลัวมากเสือถ้ามีเสือน่ากลัวครับป่าพระกรรมฐานเนี่ยชอบไปนอนในป่าเสือดู ด, ดูไม่ง่วงดีเวลามันกำลัโโงโหโคงเนี่ยนะ โอ้ oh, ใครจะไปนั่งหลํามันก็ตื่นนะเดี๋ยวยมนั่งหน้าผยายเงี้ยเวลานั่งหน้าผาเนี้ยต้งง่วงก็สํานอกก็ตกลงไปใครจะไปง่วงอ่ะพระป๋าหาที่ที่มันเสียเส่ยงๆปฏิบัติพูดกัอย่างนี้แม่นนาหมายถึงว่าเดี๋ยวยมต้องมาเดินแถวริมระเบียงแถวเนี้ยไม่ต้องขนาดนั้นหมายถึงว่าเออเราเราสังเกตเอาความคิดนี่ไร้ประโยุง์นะความคิดเนี้ยมันเป็น สิ่งที่มันอยู่ในตัวเราอะมงลวดก็ดีนอนในมงในกรดอย่างดีในเต้นอย่างดียุ่งไม่กัดแต่ว่าความคิดมันกัดทั้งคืนตื่นมากนาซีนาเซียวไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเราก็จึงมาเรียกว่าจะประเด็นของการวิบัติให้มันตรงไปตรงมาเลยเราใช้รูปแบบปฏิบัตนะิถ้านั่งสร้างการเคลื่อนไหวสี่จังหวะแล้วมันเมื่อยล้วก็ลุกขึ้นเดินเดินจงกลม ถ้าเดินจงกลมเมื่อยแล้วก็นั่งลงบางทีก็นอนว่างนั่งเดินยืนนอนเฉ่พอดีก็เป็นลนักษณะของสุ ข, ขาวิปัสสโกเรียกว่าทำแล้วมีความสุขทำอย่างง่ายให้ผลอย่างเลิศเราก็จะมารวมตัวรวมหัวกันในกลา่าวครั้งนี้ก็คือพยายามที่จะฝึกตนสอนตนกันตัวใครตัวเราถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการฝึกหาปฏิบัติหลวงพ่อเขียนท่านก็นั่งอยู่ตลอดเวลา ไปไปสนทนาเรื่องอารมณ์ปฏิบัติแต่ว่าอย่าหาเรื่องไปคุยนะอย่าหาเรื่องคิดเอาเอาเรื่องไปถามท่านให้ท่านตอบคล้ายๆกับมีเพื่อนคุยแต่ถ้าหาว่าติดขัดเรื่องอารมณ์ปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วมันจิตเข้าในทําไงแล้วจิตออกนอกเกินไปมันไม่รวมตัวสักทีสมาธิไม่เกิดสักทีทําไงนะลองไปสนทนาดูหรือบางทีแอบสังเกต หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านอยู่นะท่านเดินไปเดินมาท่านมีสติอยู่ท่านวางหน้าวางตาวางกายวางใจยังไงมันจะซึมซับเข้ามาในตัวเราโดยที่บางทีไม่ต้องใช้คําพูดเลยแม้แต่นิดเดียวตาดูกระทบปั๊บนจิตมันว้าวทันทีแทนที่จะติดอารมณ์ง่วงงมันคลายออกมาทันทีนก็สังเกตใช้ประโยชน์เอาแล้วก็ช่วงนี้นอีกอย่างหนึงกลุ่มปฏิบัตินะร้องขออะไ ร, รเก็บอารมณ์เข้มเหมือนกันร้องขอ ยาพยายามหยิบไม้แล้วไปเดินพลานเคลียเห็ดเห็นออกเยอะมากให้ชา บ, บ้านเขาเคลียกันแล้วก็ในบาพยายามอยู่นิ่งๆตรงนั้น น, นําไปลักของความทุกข์นะบอกไว้เลยความทุกข์คือจิต ท, ทันทมันจะรู้สึกตัวมันปกติมันจะรีไอตรงรีไปมันหลงละมันหลงแล้วก็เรียกว่าอาหาเลยปริเยยะทุกข์อาหาเลยแต่ถ้าเราเข้ากรรมาฐานได้นะ เขากรรมฐานได้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้เดินยกมดได้นะทาอะไรทํำอะไรมันจะไม่ทุกข์มันจะมีอยู่แต่มันจะหายสงสัยเรื่องกรรมฐานไปแล้วสมถะไปไงวิปัสสนาไปไงความคิดมันเกิดยังไงรูปธรรมนามธรรมไปอย่างไรมันหายสงสัยไปเลยมันจะตอบได้ถึงนี้ถึงเวลาเนี่ยมันจะนิ่งๆแล้วก็มีอะไรทําก็จะทําไปธรรมดาๆมันหมดวันหมดวันแล้วเป็นตัวปกติหน้าตาจะปกติเหนื่อยก็ไม่เป็นไรหรือว่า ไม่เปัญหาในงานก็ไม่เป็นไรมันจะมีเรื่องของปัญญามาช่วยแก่หรือว่าธรรมะจัดสรรให้เราได้ผ่านอุปสรรคปัญหาอางนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บอารมณ์เข้มปัญญาในอยู่คาถานแล้วก็นั่งเดินยือนนอนเรายามเกี่ยวข้องกับกิจวัตรจาวันของเราเช่นซักผ้าหรือว่าตักน้ําำลวดไปห้องน้ำพวกนี้นกําหนดสติวไวด้ดีๆเราได้เห็นว่าวัยคิดมันเกิดขึ้นมาที่นอกเหนือจากการกําหนดในรูปแบบนะ ตรงนั้นนะมันจะพาเราหลงอย่างไรผมรู้ธรรมาเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเก็บอารมณ์เข้มเสรจแล้วเก็บอยู่ที่กุฏิ15อาโศกาเสร็จแล้วเราตั้งใจที่อยู่ในรูปแบบเต็มที่พราะเรามีความเชื่อว่าการอยู่ในรูปแบบต่อเนื่องนะจนทั้งจิตมันถึงสภาวะของสมดุลเนื่องจากมีการสังเกตตัวเองมันจะปกติรู้สึกตัวปกติรู้สึกตัวแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือ มันไม่ปกติเนื่องจากมันวิตกของวันว่าการที่เรามาบวชนานๆ น, น่ยทางโลกเนี่ยหยุดทํางานก็ถือว่าถอย ห, หลังทางโลกลนะการที่เราวางนานวางการมาแล้วเราหยุดมาบวชเนี่ยพัฒนาการของโลกเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลและการที่เราจะกลับไปเก็บรอยนะั้นมันจะต้องเรียนรู้อะไรอีกพักใหญ่ ขณะปฏิบัติมันก็ท้อแท้มันก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงเก่าๆที่เราเคยมีปัญหาเคยมีความสุขอย่างนี้มันก็มีรอยประทับใจไม่า ป, ประทับใจแสดงออกมาทีนี้มันก็มีลักษณะของการเชิญชวนให้เราเดินไปหาสมุดก็ไปหาสมุดมาหนึ่งเล่ม เราไปหาปากกามามันมีอะไรดีๆมากมายเหลือกันหัวข้อทำต่างๆหรือว่าอยู่ๆมันคิดแก้ปัญหาได้มันก็จะจดเอาไว้ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราหลุดจากกรรมัธฐานนั่นแหละนะมายพยายามหรือว่าเราทําอะไรได้บ้างขนาดนี้สมมติว่าเราตอนเนี้ออกมาจนกรทั่งอยู่ตัวคนเดียวแล้วแล้วเราไม่คิดว่าทําเวรทํากรรมกับใครไม่คิดจะพึ่งพาอาศัยให้ใครเลย อาตาเียนุนนาโถให้เป็นไปตามคําสอนของศาสนาแล้วเรามีแค่เนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่เอาผ้าเราออกไปนอกวัดละผ้าเราก็ไม่มีเราจะทํำยังไงมันก็ปร่งแล้วนะอ๋อไม่เป็นไระชาตินี้ชีวิตเราคนเดียวจะต้องอยู่ให้ได้ในโลกมันก็เริ่มต้นแล้วออกไปศึกไม่ต้องเอาเสื้อผ้าที่ไหนมาใส่ก็ได้จะอยู่แบบไม่ร้องขอใครเหมือนคนบ้าคนหนึ่งให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอา ไม่ขอเป็นเวรเวรกรรมกับใครเสร็จแล้วก็ขอไปแบบเปลือยกายออกไปเลยมันก็จดไปเลยนะออกไปแบบไม่มีอะไรเปือยกายเห็นเขาตัดอ้อยเห็นเขาถอนมันจะไปช่วยเขาเอาทำอุจจาระ ย, ยาวใบตองกล้วยนะปิดแบบสมัยโบราณ น, นะนะนึกถึงคนป่าคนโดง่งสมัยก่อนเสร็จแล้วมันก็ปรุงต่อไปว่าเอาออกไปจะ ไ, ไปทำไงถึงจะมีข้าวกินก็เอาก็ใช้แรงงานเนี่ย เขถอนมันไม่ช่วยถอนมันก็นได้เดี๋ยวคงสงสารหรอกไปตัดอ้อยก็ได้ขอยืมไม้ขอยืมมีดเขาก็กได้นะลองดูเลิกไปช่วยเขาล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้เดี๋ยวคงจะให้ก๋วยเตี๋ยเกินนักชามาเดินลงไปแก้งเขคาคงจะเป็นเรื่หนาของขอทานมันปรุงนั้นเนี่ยเราก็จดไว้อาชีพแรกคือขอทานต่อมามาเก็บตังค์ได้นะจากห้าบาทสิบาทจะทําไงสิบยี่สิสามสิบ ทำยังไงอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆปรุงแต่งไปไม่ต้องไปเหมือนกับว่าไปขอใครนิ่งๆอยู่แบบนิ่งๆขอทานแบบไม่ต้องขอมันก็ให้กัเก็บตังค์ไว้สักหน่อยนึงก็คงจะให้เสื้อผ้าบ้างโลใจตามมีตามได้ไปจะอยู่แบบนี้แบบมีศีลนี่แบบปกตินีไม่ลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยตัวเนี้อยู่แบบอยู่ไปวันๆให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอามันคิดนะแล้วมันก็จดไว้ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห ทำอะไรได้มัง่งซื้อคุยแม็กซ์เราเดินเป่าคุยเพราะๆให้คนฟังพอก็ฟังแล้วก็อาจจะโยนตังค์ให้ไม่ได้ร้องขอนะแต่ไปเป่าไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยแล้วก็วชอบชอบเป่าคุยมันไม่มีปลั๊กไฟอ่ะชอบเครื่องด น, นตรีที่ไม่มีปลั๊กไฟทุกชิ้ น, นไม่ใครชอบอะไรที่มันมันเป็นเรื่องของของเทคโนโลยีเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วชอบอะไรที่มันพึ่งตัวเองได้มากที่สุด เสร็จแล้วก็ไปเลืเล่อยเปื่อยนะอ่ะมีตังซื้อผู้กันก็ได้นะไปร้านขายเอ่อสีขายผู้กันซื้อมาวาดภาพขายข้างทางอะไรเงี้ยก็คิดก็มันก็จดเอาเองนะอาชีพไปซื้อเนเครื่องขายซันวิต เ, เครื่องปั๊มปั๊มซันวิตอ่ะนะเป็นเตาเปาเตาเปั๊มซันวินตนะ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เครื่องประมาณ3 5มอาสบาทจิมเคโครโรตัสนมีขายเยอะกเคยก่อนบวชนะ ลองดูซิว่าอาชีพเปิดท้ายขายของมันมีรายได้ไงไปทำแซนวิชวันได้วัน4ี่ห้0บาทชั่วโมงสองชั่วโมงกันได้แล้วมันก็คิดถึงร่องรอยพวกนี้มันปรุงแต่งมันก็ไหลออกมาไหลออกมาไปอยู่ที่ไหนงนั้นออกแรงหิว้วกระป๋องปูนอะไรจะทำให้หมดเนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มความสามารถสหายภาพให้คนก็เห็นก็คงจะให้เงินให้เงินให้เงินโดยดนะ้ความหลงมันพาไปนั้นน่ จากสมุดจากปากกาจากระบบความคิดจดใส่จดใส่หนึ่งสองสามี่ห้าจนกทั่งเราก็มองดูว่ามันก็กลับมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใหม่อีกครั้งนึงนีมันขี้ขนาดนั้นเนี่ก็คืออาการหาอยู่หากินทั้งหมดเลยอะ่ะมันเกิดขึ้นมาเราเห็นหลายครั้งนะีที่มันเห็นว่าใบไม้ต่างๆนะ่ะกินได้ในป่านนะ่าเยอะมากแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเออเอื้อมือไปหยิบเอื้อมือไปเด็ด น, นีมันก็รู้แล้วว่าหลวงแล้วอย่างไง เราก็จึงได้เห็นสภาวะอาการต่างๆที่ไม่ใช่ความรู้เนื้อรู้ตัวการมาฐานเค้มขคนเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้ยเป็นรายละเอียดของมั น, นความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวแล้วเสร็จแล้วเราออกไปข้างหน้าอาหารแค่ไหนก็แค่นั้นนียแต่ว่าแผานกที่เขาหาอาหารหาอยู่หา ก, กินก็ปล่อยให้เขาทาไปแต่ของเราไม่ต้องร่วมด้วยช่วยกั น, นอย่างเช้าตื่นขึ้ น, นมาเดินไปถามพระอยู่รูปหนึ่งท่านเก็บอารมณ์เค้มเมื่อไห เออประมาณประมาณทีสามเสร็จๆกระป๋องอันนึงไปใช้อันหนึง่งนวลดอกนี่ดอง ก, ก็สองเหตุทนะั่นแ้ลกรรมฐ า, านตื่นเจ้าจะเดินจงกรมตั้งใจยังไงไม่ได้เดินจงกรมตั้งใจยังไงกับปองอานหาเห็ดอันว่าก็เคยหาก็เห็นว่าไอ้เห็ดเนี่ยหาล้วมัไดอารมณ์ปฏิบัติดีมันคลายจากอารมณ์กรรมฐ า, านด้วยลาเพลงจีจองอนะมันก็ได้อยู่หมายถึงว่าเราประโยชน์จากสิ่งเนี้ย หมายถึงว่าเดินอยู่ตามทางเดินจงกรมลม้ําขึ้นมาข้างๆอืมอค่อยๆมีสติการงัดก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าใช้เวลาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่พยายามใช้เป็นการต่อรองกันให้ได้ระหว่างที่มันจะก้าวลงไปจากฐานลงไปหาเหตนะุกับมันเดินอยู่เป็นที่เป็นทางลองสังเกต ด, ดูถ้าเราเดินได้ทั้งวันจนกระทั่งท้ายสุดนถึงค่อยเก็บตอนท้ายสุดจะไปอาบานะ้ำถือว่าใช้ได้อยู่ เนั้นนะอ่ามันจึงมีอารมณ์กรรมฐานต่างๆมากมายกันที่หลอกล่อเราบางทีก็มีบุคคลหนึสองสามชวนคุยอารมกรถานก็ควรเห็นแล้วนะว่าเออมันคิดจะคุยควรจะนิ่งๆแล้วก็อยู่อารมณ์ปกติธรรมดาธรรมชาติถ้าเจอถ้าจับได้พยายามต่อยอดตรงเนี้ให้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงทีความคิดจะละเอียดลงลเอียดลงลเอียดลงลเอียดลจอถ้าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของ ควาคิดทิมไม่สามารถมีพลังหรือว่ามีอำนาจจนให้เราได้ทำตามได้แต่ถ้าเราจะทำนะัเราต้องมีสติของเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวของเราแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นโดยไม่ต้องใช้ใช้ระนาบของให้กิเลสมันพาเราทำให้อารมณ์มันพาเราท ำ, า ม, าาทำมันก็ต้องเรียกว่าแ ย, ยบคายกับการแบบสักนิดนคุณสมบัติของการปฏิบัติมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยต่อยอดกันในวันต่อไป เดี๋ยว่าตอนเช้าพวงนี้หรือว่าเย็นวันพวกนี้ต่อไปตอนนี้มแลแรงมากมันเริ่มที่จะมาเล่นไฟก็ขอยุติการพูดธรรมะเพียงแค่นี้ก่อนเราก ล, าบลับมาพร้อมกัน